ความสุขความสบายนายุทธาบรรดาศัก์เหมือนกับเขาชนะแต่คนที่ทําดีอดทนทําความดีถูกกันแกล้งอะไรต่างๆวันนี้เราจรึงจะมาทําความเข้าใจกับคํานี้กันว่าธรรมะย่อมชนะอนธรรมเนี่ยหมายความว่าอย่างเรเริ่มจากสิ่งที่เป็นธรรมะกับอธรรมะสักก่ อ, นธร ร, อนธรรมะอธรรมะพระพุทธเจ้าเคยอธิบายเอาไว้โดยเปรียบเทียบ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 นนพราหมเอกาสารดวงนี้มีจิตใจที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมาก็เลยมีจิตน้อมไปในการให้ทา น, นาการให้ที่เป็นกุศลธรรมถูกไหมเวลาที่มีจิตน้อมไปจะให้ทานแล้วเอ๊ะเราฉันจะให้อะไรเงินทองฉันก็ไม่มีแม่แต่สมบัติอันเดียวที่มีอยู่คือผ้าผืนนี้นั่นเองหนึ่งคิดว่าจะเอาผ้าผืนนี้ยถวายราวพระพุทธเจ้าแต่ปรากฏว่าความคิดอีกอันหนึ่งมันคือแบบโอ๊ยไม่ได้หรอกถวายแล้วภริยาจะเอาอได้ใส่แล้วต่อไปเราจะออกมาขึ้นนอกยังไง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 นี่คือความคิดทางชั่วความคิดทางเลวความคิดในทางอากุโสธรรมเกิดขึ้นละความคิดอกุโสธรรมในกรณีของพระมิฆสสาดกเนี่ยมากทีเดียวนะคือพันต่อหนึ่งไว้อย่างนั้นในะสัดส่วนที่เขาเปรียบเทียบไว้ในที่นี้คือจิตที่มีความศรัทธาน้อมไปในการให้แค่ดวงเดียวเรื่องเดียวแต่จิตที่มีความธรณีเป็นอกุโสธรรมหนื่อเอาไว้เหนียวเอาไว้ไม่ให้เนี่ย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 แนะมีความสามารถในการรบมีกําลังรบมากกว่าพลเรือนทหารหนึ่งคนสามารถที่จะต่อสู้กับพลเลเรือนได้เป็นร้อยเป็นพันเป็นหมืน่นะด้วยความสามารถที่เขามีความสามารถตรงนี้ของทหารก็เส่นว่ามีอาวุธแ ล, และมีทักษะในการรบสองอย่างนี้แหละเป็นสิ่งที่คนที่มีธรรมะจะต้องมีหมายความว่าไงจำมึงฟังอย่างกรณีของพราหมเอกส า, า, าดกเนี่ยจิต ท, ที่มีศรัทธา ด, ดวงหนึ่งช น, นะ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 ที่เป็นการเทศสอนบอกสอนที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สื่นเชิงังนงะงดงานในเบื้องต้นงงา น, นาา ง, ง, งานในท่ามกลางงานเปนที่สุดแสดงการประกอบการประพฤติพรหมจรรย์แตนะ่ทั้งอัฏฐเพยียญชนะบริสุทธิ์หมดจดแตนะ่ธรรมลักษณะนี้เราทรงจำไว้ท่องให้ขึ้นใจคล่องปากนะเข้าใจความหมายอย่างถูกต้องลักษณะ น, นี้คือสุตตะคืออาวุธที่เราต้องมีพรามนี้เขามีอาวุธคือเขาฟังธรรมอยู่เรื่อยๆตอนนั้น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 จิตที่เป็นอกุศลเนี่ยนผฟังมันโตขึ้นได้ถ้าใจของเราไปจดจ่ออยู่กับมันจิตที่ตรีกตรึกสิ่งใดใดมากเนี่ยเราตรีตรึกเรื่องรายๆมากเนี่ยจิตจะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นเราไปตรีตรึกเรื่องชั่วๆมากนจิตเราจะน้อมไปในทางชั่วทางบาปอย่างกรณีของพราหมณ์เอกสาดกถ้าเขาไปคิดแต่เรื่องที่จะไม่ให้มากๆคือใจเขาน้อมไปในทางนั้นเป็นการให้กาลัง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 ชนองคุลีมานเพราะยชนะหลายอย่างแตนะ่แค่รูปเดียวคนเดียวแต่แต่ว่าความสามารถมากใจมีกําลังสูงซึ่งไอการชนะตรงเนี้ยท่านผู้ฟังไม่ใช่ด้วยชนะด้วยศาสตราไม่ใช่ชนะด้วยอาทยาคือถ้ามีการใช้ศาสตราหคืออาวุธมีการใช้อาทยาคือการบังคับกู่เข็นลักษณะของอากูสัรธรรมนี่นั่นคือการชนะด้วยอาธรรมชนะด้วยอาสัตธรรมอาสัตธรรมมันไม่ดี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 เป็นจักคือทำอันประเสริฐนะใช้ความดีเอาชนะความชั่วขอควาชนะนี่ก็เหมือนกันต้องเข้าใจความไม่ถูกนะชนะไม่ใช่ว่ามีอิทธิพลเหนือนะแต่ชนะกันด้วยความดีในะสมมติว่าเรายังไม่ได้มีคนดีมากกว่าคนชั่วอย่างนี้เป็นต้นแล้วนะมันก็ชนะอยู่แล้วฉะนัะด้วยความที่มันขาวขวาอยู่แล้วแล้วด้วยความขาวโดวยความดีเฮ้ยฆ่าสัตว์กับไม่ฆ่าสัตว์เอา้าไม่ฆ่าสัตว์มีจิตเมตตานี่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 แต่ทำความสะอาดได้อยู่บางทีการชนะของเราอาจจะไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์แต่เหมือนการชนะโดยธรรมะแต่ว่าไอ้ความที่อย่างน้อยมันจะอาจกว่ามันล้างสิ่งสโปรกได้สิ่งสะอาดกว่าเนี่ยท่านฟังล้างสิ่งโสโปรกได้แต่าอาจจะไม่ใช่สะอาดที่สุดขนาดผ้าขาวเป๊ะเอาน้ํากินมาล้างเจ้าคราบโชโครกที่เกิดจากการน้ําท่วมตรงนั้นก็ไม่ขนาดนั้นในอย่างน้อยมันก็รู้จักว่าเอาน้ํามาใช้ทําอะไรบ้างอันนี้คืออยู่ในข่ายของลักษณะทักษะการรบ นั่นที่ว่าบางทีเราก็ต้องเลือกให้ถูกงานด้วยพูดถึงการชนะตรงเนี้คือคนที่รบนนะั้ด้วยธรรมานี่ชื่อว่าเป็นคนที่มีความแกล้าน่ะกล้ า, นะลลามีกําลังใจนะในการที่จะไม่ทําความชั่วนั่นะนี่คือความกล้าของจิตที่เกิดขึ้นนะคือความกล้านี่ไม่ใช่ว่าแบบบ้าบินสู้บึมบึมเข้าไปนะ่ะฉันดาเธอเอา้าวดานี่ยมันก็เป็นอาธรรมละนะ่ะเริ่มใช้อาจยาละฉันจะมาทําความดีอ่านะฉันจะมาสู้กับเธอ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 ทีนีเราบอกว่าฉันแสดงความกล้ามาฉันจะเข้าไปหาเสือจะเข้าไปเล่นกับเสือแต่ถ้าบอกว่าคุณไม่มีความรู้ในการที่จะเข้าไปฉันกล้าและทําความกล้าเพื่อในจิตเดินบุ่มๆุ่มก็ไปเอาข้ถู่วมันกินแค่นั้นเองอันนี้คือประมาทแต่ความประมาทเป็นอกุศลธรรมไม่ดีนั้นไม่ใช่เรียกว่ากล้าแต่กล้ากล้าด้วยโมหะไม่ใช่กล้าด้วยปัญญาแต่ถ้าเป็นนักสัตวพิทยาอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาใช้คําพูดนี้ถูกหรือเปล่าแต่ผู้ที่มีความคุ้นเคยกับสัต์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 ความกล้าของเขาตรงนี้ด้วยปัญญาตรงนี้ปัญญาคืออาวุธของเขาในสิ่งนั่นนะคือเขามีความรู้ในการที่จะไปเกี่ยวเนื่องด้วยสัตว์ประเภทนี้นั่นก็คือเรื่องของอาวุธที่เขามีแต่นะถ้าเราจะสู้รบกับใครก็ตามใช้อาวุธคือธรรมะใช้อาวุธคือปัญญาแต่นะเราต้องสู้แตนะสู้ต้องใช้ปัญญาด้วยฉลาดหน่อยถ้าบุมบํากล้าบ้าบินเข้าไปอย่างเดียวนั่นะก็ลักษณะของกล้าอย่างมีโมหะแต่เราต้องกล้าอย่างมีปัญญานั่นะคือให้สัตธรรมเนี่ยมีอยู่ในใจของเราตลอด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 ร่างกายของเราสูญสิ้นไปแนะใจชื่อเสียงเกีติยศด้วยความที่มีสีมีปัญญามีธรรมะในใจของเรายังจ่ารึกอยู่การตายตรงนั้นจะไม่สูญเปล่าทีเดียวแตนะ่ให้เราสู้ด้วยธรรมะสู้ด้วยใจที่เข้มแข็งห้าวหาญมีความกล้าสู้ด้วยปัญญาต้องมีอาวุธมีปัญญาเป็นอาวุธมีกองกําลังทักษะในการรบคือความห้าวหาญคือการทําจริงแน่วแน่จริงตนะั้งมันในอุดมการณ์ที่เราัง